FM 89.5 m ม z สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีพระทรงเป็นจอมใจไทยทั้งชาติพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสีสยามพระเมตตาประธานให้ไทยทุกนามทุกเตขตคามแท่ซองสะดุดี สุภาวานยี่สิบแปดกรกฎาคมมาบรรจบราชมงคลน้อมนบพระสงศี์ด้วยเสียเกล้าวพร้อมกันอัญชุลีเทิดพักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการคณาจารย์นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเขาเชิญเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี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 สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกไทยนะครับวันนี้ผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุนพู้ดาเนินรายการคุณผู้ฟังครับเราพบกันทุกครั้งที่ FM 89.5 MHz สเามสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต เราพบ ก, กันกับช่วงเวลาดีๆอย่างนี้เช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการนี้ผ่านสถานีวิทยุแล้วก็ในระบบออนไลน์แล้วก็มีการย้อนหลังให้คุณผู้ฟังได้รับฟังด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง4ี่ช่วงของรายการมรดกไทยมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์หรือดวงตะวันนะครับวันนี้ในช่วงมรดกเพลงไทยผมเอาใจหลายๆท่าน ที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังขาดกำลังใจวันนี้ผมนำเพลงถนนสายแสงตะวันผลงานคุณภาพเป็นเพลงดีๆที่ฟังทุกครั้งก็ให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะครับวันนี้คุณผู้ฟังจะได้ทราบเรื่องราวประวัติที่มาของผู้เขียนเพลงนี้แล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจมากมายทีเดียวมาดูในช่วงที่สองมรดกวิถีไทยนะครับ คุณฟังครับคนไทยมีความเชื่อในเรื่องของพระอาทิตย์ทรงกลดพระอาทิตทรงกรดนั้นถือว่าเป็นเลิก ง, งามยามดีเป็นสิริมงคลยิ่งถ้าใครจัดงานแล้วเกิดพระอาทิตย์ทรงกรดก็ถือว่าวันนั้นเป็นวันดีนะครับส่วนพระอาทิตย์ทรงกรดเกิดจากอะไรแล้วมีอิทธิพลอย่างไรต่อชีวิตคนไทยเดี๋ยวมารับทราบแถมท้ายด้วยการพาคุณผู้ฟังไปชมความงามของพระอาทิตย์ตกดินที่ แหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตนะครับสำหรับในช่วงที่3มนะครับมรดกภูมิปัญญาไทยนะับเป็นความภาคภูมิใจนะครับวันนี้ผมได้อัญเชิญสูตรอาหารพระราชทานของรัชกาลที่9กก็คือไข่พระอาทิตย์วันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องราวของไข่พระอาทิตย์รวมทั้งอาหารที่ดัดแปลงจากไข่พระอาทิตย์เป็นเมนูอื่นๆที่น่าสนใจมากมายทีเดียวนะครับ ส่วนมรดกทางภาษาวันนี้ผมมีนิทานเรื่องพระอาทิตย์กับลมนะครับพระอาทิตย์กับลมนั้นมีเรื่องจะต้องแข่งขันกันส่วนจะแข่งกันเรื่องอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบก่อนจบในช่วงมรดกทางภาษาผมก็มีคําไวัยพ์ที่เกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์มาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบและวันนี้มีบทเพลงที่ให้กําลังใจและมีบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์มาฝากคุณผู้ฟัง ก็อยากให้ครูฟังได้อยู่กับเราจนตลอดทั้งรายการนะครับเช่นเคยนะครับครูฟังเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบทั้ง4ช่วงของรายการมรดกไทยครับ FM 89.5 MHz มสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี ช่วงที่หนึ่งมรดกเพลงไทยนะครับคุณฟังครับวันนี้ผมหยิบเพลงถนนสายแสงตะวันเพลงนี้ผู้ขับร้องก็คือคุณธงชัยแม็กอินไตสําหรับคนที่เขียนคําร้องได้อย่างวิเศษสุดเลยนะครับเพลงนี้ก็คือคุณสุรักษุกเสวีทํานองและเรียบเรียงโดยบรูโน่แบล็กาโนเพลงนี้เป็นเพลงพิเศษนะครับเป็นเพลงที่เขียนขึ้นเพื่อให้กําลังใจใครหลายๆคนที่ประสบปัญหาชีวิต แล้วก็ลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปได้บ่อยครั้งที่ฉันเคนว้งคว้างเดินไปตามทางผู้คนสั่งให้เท้า2เท้านั้นก้าวไปอย่างเหนื่อยล้ามีแต่ความคิดท้อแท้ในใจกับเกมชีวิตและโชคชะตากับปัญหาที่ไม่คิดจะสู้ต่อไปนี่คือความจริงนี่คือเรื่องราวที่ใครหลายๆคนก็ รู้สึกแบบนี้นะครับยังมีผู้คนมากมายที่เขาต้องดิ้นรนยิ่งกว่าฉันและความหวังที่พวกเขามีมันเหมือนแสงตะวันที่จะเป็นแรงใจให้ฉันยังคงก้าวต่อไปและนี่คือบทสรุปสุดท้ายของเพลงนี้นะครับก่อนที่เราจะฟังเพลงนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้เขียนเพลงนี้ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับคุณสุรักษุขเสวี เป็นคนเขียนเนื้อร้องให้กับเพลงนี้นะครับคุณสุรักษ์เป็นนักแต่งเพลงที่เรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์ของการใช้ภาษาไทยคือสังเกตดูเป็นการใช้ภาษาไทยที่งดงามนะครับแล้วก็เป็นคนที่เขียนเพลงอะไรก็มักจะโดนใจแล้วก็ได้รับความนิยมมากมายทีเดียวแต่เดิมนั้นคุณสุรักษ์ทำงานอยู่ที่บริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนแล้วก็แต่งเพลงให้กับนักร้องในค่าย แล้วก็เพลงอื่นๆ อ, อีกมากมายปัจจุบันนี้ก็แต่งเพลงให้กับเอกชนเพลงให้กับองค์กรมหาวิทยาลัยต่างๆมากมายทีเดียวนะครับดูประวัติคร่าวๆคุณสุรักษ์เกิดเมื่อวันที่10ตุลาคม2510เป็นคนจังหวัดราชบุรีนะครับอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกในครอบครัวก็มีพี่น้องด้วยกัน5คนนะครับคุณสุรักษ์เป็นบุตรคนที่5 ทีนี้ความเป็นมาว่าเหตุใดจึงหลงรักเพลงไทยเราก็เป็นนักฟังเพลงแล้วหลังจากนั้นก็เป็นนักเขียนเพลงนะครับในประวัติบอกว่าคุณสุรักษ์เนี่ยเป็นนักเดินทางตั้งแต่เด็กเพราะว่าครอบครัวมีอาชีพค้าขายผลไม้ก็คือส่งผลไม้นั่นเองดังนั้นก็มักจะติดรถบรรทุกนะครับของที่บ้านเนี่ยไปตามจังหวัดต่างๆเกือบทุกภาคของประเทศไทยแล้วในระหว่างที่นั่งรถไปเนี่ยนะครับ คนในรถก็จะเปิดเพลงทั้งลูกทุ่งลูกกรุงเพลงสากลในยุค1970ซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณสุรักษ์ได้ยินตั้งแต่เด็กก็เลยซึมซับเข้าไปแล้วก็เป็นความชอบนะครับจากความชอบจนเกิดเป็นความรักในการที่จะเรียนรู้เรื่องการแต่งเพลงคุณสุรักษ์มีเพลงดังๆที่หลายๆท่านน่าจะรู้จักเช่นเพลงวิมานดินของคุณนันทิดาแก้วบัวสาย ลมหนาวและดาวเดือนของปนัดดาเรืองวุฒิหรือเพลง King of the King นะครับที่เป็นรวมศิลปินรวมอัลบัม้มนะครับเป็นเพลงเพื่อสถาบันมาดูในส่วนของการเข้าสู่วงการเพลงนะครับคุณสุรักษ์ก็เริ่มตามความฝันของตัวเองในการที่จะเป็นนักแต่งเพลงโดยเดินทางตามความฝันในด้านสายของดนตรีด้วยการแต่งเพลงเนี้ยเก็บเอาไว้จำนวนหนึ่ง จากกีตาร์ราคาที่ไม่แพงนะครับแล้วก็วิทยุเทปคัสเซตที่บันทึกเสียงที่คุณพ่อเนี่ยยอมลงทุนซื้อให้เพราะทราบว่าบุตรชายของตัวเองนั้นชอบแต่งเพลงเรามาดูเส้นทางถนนสายดนตรีของคุณสุรักษ์นะครับก็เริ่มจากการที่มีใจรักแล้วก็มีกีตาร์หตัวแล้วก็เทปคัสเซ็ตแล้วก็บันทึกเสียงนะครับเพลงที่ตัวเองแต่งแล้วก็นําไปเสนอค่ายเพลงต่างๆ ในช่วงแรกก็ยังไม่ได้รับการตอบรับนะครับจนกระทั่งคุณสุรักษ์ตัดสินใจเดินทางไปพบคุณเรวัดพุทธินันท์หรือพี่เตอ๋อที่ห้องบันทึกเสียงสีสยามนะครับหลังจากนั้นก็มีการแนะนำต่อๆกันมาจนกระทั่งแนะนำให้รู้จักกับคุณนิติพงษ์อนาคซึ่งเป็นคนที่แต่งเพลงดังๆไว ม, มากมายที่บริษัทแกรมมี่นะครับหลังจากนั้นคุณสุรักษ์ก็ไปเรียนแต่งเพลง เขาบอกว่าลูกศิตรุ่นแรกที่เรียนแต่งเพลงกับคุณนิติพงศ์ก็เป็นนักแต่งเพลงที่ประสบความสำเร็จมากๆเช่นคุณจักราวุฒิแสวงผลคุณวรัชยาพรมสถิตชนะเสวิกุลกริจยศเลิศประภัยมณชีพศิวะสีนางกูลซึ่งคนเหล่านี้ก็มีเพลงดังๆมากมายนะครับหลังจากที่วงการเพลงไทยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคุณสุรักษุขเสวีก็ได้แยกตัวออกมาจาก GMM แกรมี แล้วมาเปิดบริษัทเล็กๆของตัวเองชื่อ My Melody หรือ I f e e l f i n e Music ก็ทำอัลบั้มอินดี้รวมทั้งแต่งเพลงให้กับบริษัทองค์กรต่างๆแม้กระทั่งสถาบันแล้วก็ตามสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยมากมายทีเดียวนะครับและล่าสุดคุณสุรักษ์ก็ได้เขียนหนังสือชื่อชีวิต i ิขิตเพลงซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็บอกเล่าที่มาแล้วก็แรงบันดาลใจของเพลงที่เขียนขึ้น นในหนังสือเล่มนี้ก็มี CDMP 3จํจำนวน60เพลงซึ่งก็ได้ทราบประวัติของแต่ละเพลงแล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะเพาะเอาละครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาฟังบทเพลงอันทรงคุณค่านะครับและนี่คือเพลงถนนสายแสงตะวันผลงานการขับร้องของคุณธงชัยแม็กอินไตยขอเชิญรับฟังครับ ฉันเคว้งความเดินไปท่ามกลางผู้คนสั่งให้เท้าสองเท้านั้นก้าวไปอย่างเหน่ลามีตาความคิดท้อแท้ในใจกับเกมชีวิและโชคชะตากับปัญหาที่ฉันมีคิดจะสู้ต่อไป ฉันบัเอิญ ม, มองไปไปเจอภาพชายผู้หนึ่งที่วันนี้สองขาของเขาโดนปัดขาดหายชายหนุ่มคนนั้นคขาใช้ขาเตรียมปรับกดันชีวิตของเขาให้กลาวไปและยังคงมีแววประกายในตาคู่นั้นกลับ ทำให้ฉันคนพบว่าฉันไม่ได้อ้างวางเดียวได้ต่อไปยังมีผู้คนมากมายที่เขาต้องดิ้นรนยิ่งกว่าฉันและความหวังที่พวกเขามัน mm. เหมือนแสงของตัวันที่จะเป็นแรงใจให้ฉันยังคงก้าวไป คนหนึ่งนั่งลงที่ตรงข้างทางหยิบของไร้ค่าเสื้อผ้าก็เก่ามาขายภาพเด็กผู้ิงในน้อยคนหนึ่งหยุดยืนข้างรถร้องไห้มาเลาซ่อนความหวังใน น, อ น, น้องนันไว้ใต้เงาหมอกควัมกลับทำให้ฉันคนพบ ว่าฉันไม่ได้อ้างว้างเดียวด้ต่อไปยังมีผู้คนมากมายที่เขาต้องดิ้นรนยิ่งกว่าฉันและความหวังที่พวกเขามีมันเหมือนแสงของตะ ว, วันที่จะเป็นแรงใจทใี่ฉันยังคงก้าวไป ทุกครั้งที่สี่หัวใจอ่อนลงทุกทีที่ถนนสายนี้นัดฉันมาบอกความหมายภาพจากถนนสายแสงตะ ว, วันบอกเราให้ฉันเห็นโลกที่เป็นไปช่วยรอเลี้ยงชีวิตฉันไว้ไมใ่ให้หมดหวัง บอกให้ฉันได้รู้ว่าฉันได้คงมีหวังแล้ววันนี้ฉันพ้อมจะรุกขึ้นสู่อีกครั้งรายการโมรดกไทยจัดทําขึ้นเพื่อการศึกษา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 ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ชั้นเจ็ดศูนย์การค้าบางซื่อจังชัน Sweet FM แอมแวิทยุราชมงคลธัญบุรีรับฟังออนไลน์ที่ทาง www radio rmutt ac th th ศูน6์สอ7หกเ ช่วงที่3มรดกวิถีไทยนะครับคุณฟังครับบางครั้งบางคนก็เคยเห็นพระอาทิตย์ทรงกลดซึ่งภาษาอังกฤษเ็าเรียกว่าซันฮาร l โลนะครับเป็นปรากฏการธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นภาพสะท้อนพระอาทิตย์หลายๆดวงซ้อนกันนะครับขนาดอาจจะโตกว่าปกติก็มีรัศมีสีรุ้งโดยรอบ ดวงที่อยู่ตรงกลางถ้าเราสังเกตก็จะมีความสดใสมากที่สุดทีนี้มาดูสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดก็เกิดขึ้นจากบรรยากาศของโลกในชั้นโทโฟสเฟียร์ซึ่งก็เป็นชั้นบรรยากาศชั้นล่างสุดแล้วก็เป็นที่อยู่ของกลุ่มเมฆจำนวนมากนะครับเมื่อมีอากาศเย็นจัดตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์จะขึ้น จนทําให้ละอองน้ําในอากาศในบริเวณนั้นเนี่ยแข็งตัวเป็นเกล็ดน้ําแข็งอนุภาคเล็กๆนะครับคุณผู้ฟังมีอนุภาคเล็กๆจํานวนมหาศาลแล้วก็ลอยอยู่บนท้องฟ้าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ส่องแสงทํามุมกับเกล็ดน้ําแข็งอย่างพอเหมาะพอเจาะก็จะเกิดการหักเทแล้วก็การสะท้อนของแสงทําให้เกิดเป็นแถบสีรุ้งที่เราเรียกว่าสเปกตรัม คล้ายกับการเกิดรุ้งกินน้ำหลังฝนตกเนี่ยแหละครับคุณผู้ฟังทั้งนี้พระทิศทรงกรดก็จะมีลักษณะของการเกิดเช่นเดียวกับพระจันทร์ทรงกรดก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศของโลกแต่คุณผู้ฟังครับเนื่องจากว่าแสงอาทิตย์เนี่ยมีความสว่างจ้ามากมาก พระอทิตยทรงกรดจึงไม่ได้มีเฉพาะแสงเรือง1วงหรือ2วงเท่านั้นบางครั้งอาจจะมีแสงเรืองเป็นแนวโค้งหลากหลายรูปแบบที่ปรากฏด้วยสายตาให้เราเห็นนะครับส่วนแสงสีที่ตาเรามองเห็นนั้นก็จะขึ้นอยู่กับการทำมุมของแสงอาทิตย์แล้วก็เกร็ดน้ำแข็งแต่คุณผู้ฟังครับโดยทั่วไปเรามักจะเห็นเป็นแสงสีเหลืองอ่อนๆมากที่สุดนะครับ ถ้าเกิดจากการสะท้อนของแสงก็จะปรากฏเป็นสีเขียวแต่ถ้าเกิดจากการหักเหของแสงก็จะเป็นสีแดงเพลิงนะครับแล้วก็เป็นสีน้ำเงินปนแดงตามขอบๆนอกคุณผู้ฟังครับบางครั้งเกร็ดน้ำแข็งและแล้วก็ละ อ, อองไอ้น้ำเหล่านั้นก็จะทำหน้าที่หักเหทางเดินของแสงแล้วก็ก่อให้เกิดภาพขยายมากขึ้นเช่นเดียวกับที่ กระจกหรือว่าเลนนูนทาให้เกิดภาพขยายนะครับรู้ฝังนึกออกใช่ไหมครับสำหรับความถี่ในการเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดก็จะเป็นปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดเนี่ยบางครั้งไม่สามารถที่จะทำนายว่าจะเกิดล่วงหน้าได้เวลาใดแต่ก็ถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับพบได้มากในปีที่มีฝนหลงฤดูจึงทาให้มีความชื้นในอากาศมากมายตามมาด้วย จะเกิดมากนะครับพระอทิตรงกรดเนี่ยจะเกิดมากในช่วงปลายฝนต้นหนาวซึ่งก็จะมีความชื้นจากฝนเวลาที่จะเกิดเขาบอกว่าจะเกิดช่วงก่อน10บโมงเช้าจนถึงเที่ยงเสรศษๆซึ่งเกล็ดน้ําแข็งก็คงยังไม่ละลายแต่เมื่อเลยเที่ยงวันไปแล้วนะครับโอกาสที่จะเกิดพระทิตยทรงกรดก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเกล็ดน้ําแข็งจะได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ มากๆจนกระทั่งละลายไปหมด <_ an> เขามีความเชื่อกันว่านะครับในวันที่พระอาทิตย์ส่งกรดจะเป็นวันที่อากาศไม่ร้อนจัดไม่มีฝนตกปุบ ป, ปับอย่างแน่นอนเว้น <_ an> แต่อาจจะมีลมพายุพัดมีเมฆฝนจากที่อื่นจึงสามารถจัดกิจกรรมหรือประเพณีในวันที่มีพระอาทิตย์ส่งกรดได้ดีดังนั้นจู่ๆที่เราจะเห็นพระอาทิตย์ส่งกรดได้นั้นก็ต้องเกิดจากการที่เรา มันสังเกตโดยการแงนหน้ามองท้องฟ้าบ่อยๆนะครับเขาบอกว่าโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้าจะปลอดโปร่งมีโอกาสที่จะเห็นพระอาทิตย์ทรงกรดในเวลากลางวันแล้วบางทีก็อาจจะเห็นดวงจันทร์ทรงกรดในเวลากลางคืนซึ่งอาทิตย์ทรงกรดสามารถมองดูได้ด้วยตาเปล่าแต่ห้ามห้ามคุณผู้ฟังนะครับมองจ้องไปที่พระอาทิตย์โดยตรงเดี๋ยวจะทาให้สายตาของเรามีปัญหา และนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจของพระอาทิตย์ทรงกรดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังยังมองไม่เห็นพระอาทิตย์ทรงกรดผมจะพาคุณผู้ฟังไปดูพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตนะครับแหลมพรมเทพที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็เป็นแหลมที่อยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเก็ตแล้วก็จะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในประเทศไทย อันนี้การันตีได้ครับผมเคยไปจังหวัดภูเก็ตประมาณ4ี่ห้าครั้งแล้วก็ไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่นั่นยอมรับว่าสวยงามมากถึงมากที่สุดเขาบอกว่าโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมีนาคมเราจะเห็นแสงสีทองค่อยๆท อ, อ, อประกายเรียกว่าจับพื้นทะเลแลดูเป็นประกายระยิบระยับแล้วก็จะกลายเป็นภาพที่น่าประทับใจ ก็ทําให้ใครห ล, หลายคนเนี่ยอยากจะไปชมความงามพระอทิตตกดินที่จังหวัดภูเก็ตนะครับคราวนี้คุณผู้ฟังครับจากแหลมพรมเทพถ้าเรามองไปทางด้านหน้าก็จะเห็นเกาะแก้วทางด้านซ้ายก็จะมองเห็นหาดในยะส่วนทางด้านขวามือนะครับก็จะมองเห็นหาดในหานใกล้ๆกกันนะครับก็จะมีต้นตาลแล้วก็จะมีทุ่งหญ้าซึ่งก็จะกลายเป็นทุ่งสีทองในช่วงหน้าร้อนและองค์ประกอบเหล่านี้แหละ เสริมให้แหลมพรมเทพกลายเป็นจุดชมวิวที่สวยงามโดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเลยนะครับแต่ว่าเมื่อคุณผู้ฟังไปที่แหลมพรมเทพแล้วอีกแห่งหนึ่งที่คุณผู้ฟังต้องไปเยี่ยมชมก็คือประภาคารการจนาพิเศษที่แหลมพรมเทพนะครับที่นี่น่าสนใจมากถ้ามองมาไกลๆเนี่ยจะเห็นตัวอาคารเนี่ยโดดเด่นมาก อาคารแห่งนี้สร้างขึ้นนะครับเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองซีรีราเจสมบัติครบ50ปีคุณผู้ฟังครับแสงไฟจากโคมของประภาคารนั้นสามารถมองเห็นได้ไกลในระยะถึง39กิโลเมตรนะครับส่วนภายในประภาคารก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการมีเรื่องราวต่างๆ ต, ตั้งแต่ประวัติการสร้างประภาคาร การรักษาเวลามาตรฐานมีการคำนวณแล้วก็แสดงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกส่วนพื้นที่บนสุดของประภาคาร น, นั้นถ้าคุณผู้ฟังเดินขึ้นไปนะครับก็จะเป็นจุดชมวิวที่เรียกว่าพานรามามองเห็นวิวสิ่งต่างๆไร้สิ่งกีดขวางเรียกว่าเห็นมุมสา0อองศาเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังถ้ามีโอกาสนะครับช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นฤดูฝน ชาวภูเก็ตอาจจะเรียกว่าโลซีซันแต่ถ้าว่างๆก็ลองนั่งเครื่องบินขับรถไปก็ได้เดินทางไปภูเก็ตนะครับไปชมความงามไปช่วยซื้อของไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้การท่องเที่ยวของไทยเราคึกคักเป็นการกระจายรายได้และข้อสำคัญคือไทยเที่ยวไทยเงินทองไม่ร่วไหลไปไหนแน่นอนครับ ให้ให้บุยามสายนบันจนบันบู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 ศูนย์นวัตรกรรมและความรู้ชั้น7ศูนย์การคา้าบางซื่อจังชั่นวิทยุราชมงคลธัญบุรีเอฟเ 89.5 เมกเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตมาถึงในช่วงที่3มมรดกภูมิปัญญาไทยนะครับ คุณผู้ฟังครับวันนี้เราอยู่กับเรื่องราวของพระอาทิตย์มาด้วยกันสองสามช่วงแล้วมาถึงในช่วงนี้นะครับก็ยังมีคำว่าพระอาทิตย์มาเกี่ยวข้องเพราะว่าผมจะอัญเชิญเมนูพระราชทานไข่พระอาทิตย์มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับเมนูไข่พระอาทิตย์เป็นสูตรอาหารที่สมเด็จพระเทพรัราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงเล่า ว, ว่า เมื่อพระองค์ทรงพระเยาวนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เคยประกอบอาหารพระราชทานแล้วก็ให้ชื่อว่าไข่พระอาทิตย์และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำไปตีพิมพ์ลงในหนังสือสูตรอาหารต้นตำรับข้าวหอมมะลิไทยในครัวนานาชาตินะครับ โดยหนังสือเล่มนี้ได้เผยแพร่ไปทั่วโลกเพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิของไทยให้เป็นที่รู้จักในทุกๆประเทศหลายคนอาจจะสงสัยทำไมเรียกว่าไข่พระอาทิตย์จริงๆแล้วก็มีสาเหตุนะครับเขาบอกว่าเมื่อนำกล้องเนี่ยไปส่องที่พื้นผิวของดวงอาทิตย์ก็จะมีลักษณะลายเหมือนเมล็ดข้าวและนี่คือที่มาที่ไปทาไมถึงชื่อไข่พระอาทิตย์ สำหรับสูตรเมนูพระราชทานไข่พระอาทิตย์นะครับก็มีหลายๆคนนําไปดัดแปลงเป็นเมนูที่ร่วมสมัยแล้วก็น่าสนใจวันนี้มีเมนูที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังนะครับต่อไปเป็นไข่เจียวพระอาทิตย์มรชัยโป้นะครับวิธีทำนะครับคุณผู้ฟังก็หั่นมระนชัยเป็นแว่นแล้วก็สับหัวไชโป้พอหยบอาบตอกไข่ตีให้เข้ากันใส่เกลือเล็กน้อยนะครับนํามราชัยโป้แล้วก็เข้ากล้อง ไปผัดในกระทะให้พอสุกแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วกระทะเราเทไข่ลงในกระทะให้ทั่วแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆรอให้ด้านล่างสุกเหลืองดีแล้วก็กลับด้านจากนั้นก็เจียวให้สุกเหลืองทั้ง2ด้านพอสุกก็ตักขึ้นมาให้มันเสด็จน้ำมันพร้อมที่จะเสิร์ฟวิธีการเสิร์ฟก็คือจะหั่นเป็นชิ้นๆก็ได้นะครับก็เป็นอีก1เมนูที่ น่าสนใจต่อไปเป็นไข่เจียวลาบไก่พระอาทิตย์วิธีการทำก็คือผสมผงลาบกับเนื้ออกไก่สับบักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับเหยาะซอสปรุงรสลงในถ้วยนะครับใส่ในถ้วยไข่ไก่ตีไข่ไก่ให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ขึ้นฟองฟูเทเนื้อไก่สับแล้วก็ปรุงรสแล้วก็เข้ากล้องลงไปผสมในชามไข่ไก่แล้วก็คนให้เข้ากัน ตั้งกระทะไฟฟ้าใช้ไฟแรงนิดหนึ่งนะครับใส่น้ํามันพืชกะเพอท่วมไข่พอน้ํามันร้อนแล้วเราก็เทส่วนผสมของไข่ลงไปในกระทะได้เลยใช้ตะหลิวนะครับโกยน้ํามันเอามาตรงกลางไข่เจียวเพื่อให้สุกให้ทั่วแล้วก็พลิกด้านไข่ตักขึ้นมาใส่จานโรยหน้าด้วยผักชีแค่นี้ก็สุดแสนจะอร่อยนะครับนี่คือ ในเรื่องของไข่พระอาทิตย์ซึ่งมีส่วนผสมสำคัญก็คือข้าวกล้องหรือว่าข้าวหอมมะลินะครับต่อไปมาถึงเมนูดัดแปลงนะครับไข่เจียวพระอาทิตย์ต้นอ่อนทานตะวันเรามาดูวิธีทากันนะครับก็ตอกไข่ ไ, ขไขก่ใส่ชามนะครับตีพอให้ไข่ไก่แตกใส่แครอทแล้วก็ข้าวโพดอ่อนแล้วก็ข้าวกล้องลงไปนะครับตีผสมกันตามด้วยต้นอ่อนทานตะวันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว แล้วก็เขาผสมให้เข้ากันเราจะใส่น้ำมันลงไปในกระทะนำขึ้นตั้งไฟนะครับพอน้ำมันร้อนเราก็ใส่ไข่เจียวลงไปทอดจนสุกเหลืองทั้งสองด้านตักใส่จานแล้วก็โรยด้วยต้นอ่อนทานตะวันพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เป็นไข่เจียวที่แสนวิเศษนะครับและนี่คือเมนูพระราชทานเริ่มจากไข่พระอาทิตย์ แล้วก็ดัดแปลงเป็นเมนูต่างๆที่รับประทานได้ในชีวิตประจาวันนะครับผมเชื่อแน่ว่าเมนูนี้เป็นเมนูโปรดที่คุณผู้ฟังหลายคนคงจะเคยรับประทานแล้วแลวก็ติดใจและที่สำคัญเป็นเมนูที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารนะครับ ที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจนเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจแล่ดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการ สบลงในอุ่นไอดิ้งสู่ความเคยชิ้นที่เราเคยลงลืมไปนาก็จะรู้ว่าพื้นดิงท้องฟ้าหน้าบ้านเรนั้นที่เป็นของสำคัญเกิบสิ่งใดใด อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยางนีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกขร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ ยังมีอยู่ยังต้องสู้ต้องทำทุกอย่างอยู่บนทางที่แม้จะเหนื่อยแต่ยังไว้ยังต้องคิดต้องทำดีต้องมาหนะ้าผาเพียงเข้าไปแต่ดูงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการ อยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกขร้นในใจสุขเพีงแค่ในชีวิตคนจกคนเจอได้ไม่ไกลยูแห่ ใ, ใจคนคนรู้จักเพียงพอ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 มาถึงในช่วงมรดกทางภาษานะครับเมื่อพูดถึงพระอาทิตย์เราก็มีคำใบพน์ที่หมายถึงพระอาทิตย์ยกตัวอย่างเช่นทิพากอรทิวากอรทินกรภพาสกอรหรือระวินะครับระวีก็ได้ระพิหรือราพีบางทีเราคงได้ยินคำว่าตะวันอาภากรอังสุมาลีสุริยะสุริยาสุริยันสุริยน สุริยงแล้วก็ยังมีคำว่าประภากร น, นะครับไม่ว่าจะออกเสียงเรียกว่าอย่างไรแต่มีความหมายตรงกันก็แปลว่าพระอาทิตย์นะครับเมื่อพูดถึงพระอาทิตย์คุณผู้ฟังครับผลนี้ผมมีนิทานสั้นๆที่ฟังเพลินๆที่เกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์แล้วก็ลมนะครับกัละครั้งนึงนานมาแล้วในวันหนึ่งลมกับพระอาทิตย์ต่างถกเถียงกันว่าใครจะมีพลังมากกว่ากัน และขณะนั้นบังเอิญก็มีนักเดินทางผู้หนึ่งเดินผ่านมาพอดีครับคุณผู้ฟังลมจึงพูดกับพระอาทิตย์ขึ้นว่าถ้าใครสามารถทําให้นักเดินทางผู้นี้ถอดเสื้อคลุมออกได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะพระอาทิตย์ก็ตอบรับกับลมว่าตกลงได้ไม่มีปัญหาถ้าอย่างนั้นเจ้าเป็นฝ่าย เ, าเริ่มก่อนก็แล้วกัน ลมจึงรวบรวมพละงกาลังทั้งหมดของตนเองแล้วก็เป่าไปยังนักเดินทางผู้นั้นโดยหวังว่าความเร็วความแรงของลมเนี่ยจะทำให้เสื้อคลุมของนักเดินทางผู้นี้หลุดออกไปแต่ว่าผลไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเพรากฏว่านักเดินทางเมื่อเจอลมพัดแรงประทะขนาดนั้นเขาก็เลยกระชับนะครับเสื้อคลุมของตนเนี่ยให้แน่นยิ่งขึ้น พร้อมกับรีบเดินทางต่อไปพระอาทิตย์จึงเอ่ยขึ้นว่าคราวนี้ถึงคราวของขาบาังละหลังจากนั้นพระอาทิตย์ก็เริ่มส่องแสงจากความแรงน้อยไปสู่ปานกลางแล้วก็ส่องแสงแรงกล้ามากๆจนทำให้ร้อนมากจนทนไม่ไหวจึงได้ถอดเสื้อคลุมออกมา ทำให้การแข่งขันในครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังสิ้นสุดลงผลก็ปรากฏอยู่แล้วว่าพระอาทิตย์เป็นฝ่ายชนะแล้วก็นี่ก็เป็นนิทานเพลินๆที่มาฝากในช่วงสุดท้ายของรายการมรดกไทยนะครับ คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 MHz มคุณผู้ฟังครับตอนนี้เวลาของรายการมรดกไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสาราแล้วก็เสียงเพลงจะทำให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขเพิ่มพูนความสุขมากถึงมากที่สุดนะครับหากคุณผู้ฟังสนใจรับฟังรายการนี้นะครับเราพบกันที่ FM 89.5 MHz สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้ผมอาจารย์สมพงษ์บุญ น, นุนผู้ดาเนินรายการ ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสัญญานะครับเราจะพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ FM 89.5 MHz มสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี